ขอความสุขความเจริญจุบีเดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากปาวิทไลศีวทุมในวันนี้จะพูดเรื่องอุชาณสัญญีสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการเพ่งโทษหรือการมุ่งที่จะกล่าวโทษบุคคลอื่นมีข้อความโดยสรุปว่าเทวดากลุ่มหนึ่ง ในขณะที่ยืนอยู่บนอากาศก็ได้กล่าวคาถาต่อพระพักพระพุทธเจ้ามีข้อความว่าบุคคลใดประกาศตนนั้นมีอยู่โดยอาการอย่างอื่นให้เขารู้โดยอาการอย่างอื่นบุคคลนั้นลวงปัจจัยเขากินด้วยความเป็นขโมย เหมือนความรวงกินแห่งพรานนกบุคคลทํากรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทากรรมใดก็ไม่ควรพูดถึงกรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมรู้จักบุคคลนั้นผู้ไม่ทําตัวผู้ไม่ทํามัวแต่พูดอยู่เอ่อข้อนี้ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าจริงๆแล้วเป็นคากล่าวที่ถูกต้อง แต่ว่าพู้เจ้าทรงรู้เจตนาของเทวดาคือเทวดานั้นเขามีความคิดว่าพระเจ้านั้นทรงสอนพุทธบริษัทโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือพวกนักบวชให้เป็นผู้สันโดษคือยินดีตามมีตามได้ในปัจจัยสี ก็ทั้งช่วงของการสแสวงหาช่วงของการได้มาช่วงของการบริโภคใช้สอยและถ้ามีเกินไปก็มีการแจกแบ่งแต่ก็มีความรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอีกอย่างหนึ่งแต่ที่พระองค์ทรงทำนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งคือหมายความว่าบางครั้งเนี่ยก็ไปพบว่า พระเจ้าทรงนุ่งห่มผ้าราคาแพ ง, แงที่พรหมหาสารเศรษฐีมหาสารกษัตริ์มหาสารนำมาถวายแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนภิกษุเหล่าอื่นให้เป็นผู้สันโดษคือยินดีตามมีตามได้ก็มีความรู้สึกทำนองว่าก็ดีแต่สอนคนอื่นนั่นเอง ซึ่งกนนีทั้งฟังจะสังเกตได้ว่าคำสอนนั้นคือสัจธรรมที่มุ่งแสดงหลักความเป็นจริงเพราะว่าแต่เราขาสันโดษในปัจจัยสี่อยากได้อยากมีอยากเป็นไม่มีที่สิ้นสุดแล่สุดจิตใจก็จะไม่สงบ แต่ในขณะเดียวกันการที่พระพุทธเจ้าทรงผ้าตามที่เขาถวายหมายความผ้านั้นไม่เป็นผ้าที่ต้องห้ามตามพระวินัยมีคนเขาซึ่งศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าถวายถึงบางครั้งนี่เราก็พบว่าราคาแพงเหลือเกินเช่นผ้าคู่สิงขคีวันที่ ถวายตอนพระพุทธเจ้าจับปริญิาานเนี่ยราคาเป็นแสนนะพื้นนึ่ง น, นั้นคือเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกพระุทธเจ้าไม่ได้ยึดติดในผ้า น, นั้นว่าเป็นผ้าราคาแพงเหมาะสมกับเราเพราะว่าไม่มีตัวตนให้ไปยึดติดอย่างนั้นแต่ว่าการฉลองศรัทธาของชาวบ้านเนี่ย คือทำให้ทายธรรมชาวบ้านมีผลมีอานิสงส์มากที่เคยพูดเรื่องทานสามระดับคือธานสถานสหายธานสามีทานหมาย่วาม่าคนเรานั้นมีวัตถุทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดถ้าตัวเองต้องการจะให้นี่ที่จริงให้ได้ แต่บางคนสามารถของให้ของที่ไม่ประนีตคือของชนิดห ย, ยาบหยาแม่ตัวเองก็ไม่บริโภคใช้สอยการให้ในลักษณะนี้ก็เหมือนกับคนให้ของแกทาตคือเศษของเหลือกินเหลือใช้ของตัวเอง แต่คนบางพวกนั้นจิตใจประนีตขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็คือเรียกว่าสหายฐานคือให้ของที่แม่ตัวเองก็บริโภคหรือเลี้ยงดูเพื่อนฝูงก็ของอย่างนั้นแหละตัวเองบริโภคก็ของอย่างนั้นแหละเราก็เลี้ยงดูเพื่อนฝูงก็ของอย่างนั้นแหละก็ถ้าให้ได้ระดับนี้ก็ถือว่าเป็นสหายฐานแต่ก็มีคนบางคนที่มีพลังศรัทธาแก่กล้าเนี่ย สามารถให้ของซึ่งตัวเองก็ไม่กล้าบริโภคคือมันแพงเกินไปมันดีเกินไปแต่เอาของนี้ไปให้คนอื่นซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของตัวเองยกตัวอย่างหมอชีวโกบาลพันเนี่ยได้ผ้าราคาแพงจากการรักษาคนป่วยให้หายป่วย ่อท่านได้มาแล้วนี่ท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่เหมาะสมที่จะไปใช้ผ้าอย่างนั้นหรอกกต่ในที่สุดก็นําไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงว่าเป็นสามิฐานวัตถุที่ให้นั้นมีความประณีตมากเกิ แ, แสดงว่าเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาธรรมนัชชีขจัดมัฉริยะขจัดโลภะในผ้าราคาแพงออกไปได้ แล้วก็ถวายแกพระพุทธเจ้าก็ทำให้ท่านได้ผลได้อันดีสงมากซึ่งกหมายความว่าล้วก็ขึ้นอยู่กับการมองของคนคือผ้าเหล่านั้นที่จริงก็คือสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็เปิดหน้าผูพังไปตามกาลเหมือนกัน แต่ว่าการแปลงผ้าซึ่งจะต้องเปือยหน้าผูพังไปเนี่ยมาเป็นวัตถุทานที่ประณีดโดยเจตนาที่ประณีดทั้งก่อนให้ขณะให้หลังจากให้เนี่ยมันก็ขอให้เกิดเขาเรียกว่าปุญญาพิสันธาคือการหลั่งไหลามาของบุญ แล้วก็ติดตามต้นไปให้บังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะบังเกิดในสกุลที่มีฐานะทางทรัพย์สินดีไม่มีความเดือดร้อนส่งแสดงไว้ในนิติการสรูทธิว่าสวัรนาตาการที่มีผิวพรรณสวยงามสุสรตาที่มีเสียงไพเราะอ่อนหวานสุสันถานางมีสุดทรงสมส่วน สรุปตามีรูปงามเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากการแต่งงานระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากบุญญานิธิของคนเหล่านั้นมาทำหน้าทีเ่เป็นกรรมมัชรูปคือกรรมที่สร้างรูปซึ่งประณีตให้ก็โดยผลแห่งทานที่เขาให้มาดีแล้ว ัลที่จริงมันคนละประเด็นดเราจะเห็นว่าประเด็นที่สอนพุทธบริษัทเนี่ยสอนในภาคของการปฏิบัติฝึกขัดตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่าการรับเนี่ยมันยินดีตามมีตามได้คือใครให้อะไรก็ยินดีเท่านั้นแหละทีนี้ปอดีเขาให้ของแพงขึ้นมามันก็ยินดีเท่าที่ให้มา แต่พระเองก็ดูความเหมาะความควรเหมือนกันเพราะว่าในข้อสุดท้ายนี่มียาาสารุปสันโดดคือในการไปพกใช้สอยนี่มมียาถาสารุปสันโดดคือยินดีตามเหมาะตามควรแก่สถานะของเรายกตัวอย่างว่าเราเป็นพระหนุ่มเพิ่งบวชไม่กี่วันเขาถวายให้ครองจีวนราคาแพงๆหรูหราเราก็ไม่หม่มหรอก ก็อาจจะนำไปถวายอุปัชฌายอาจารย์ซึ่งมันเป็นบุญด้วยแล้วก็เหมาะสมแก่ท่านด้วยแล้วก็ไปเพิ่มบุญแก่ผู้ถวายด้วยเพราะยะาสารุปรสันโดดเนี่ยมันจึงใช้ในภาคของการบริโภคใช้สอยแต่พระพุทธเจ้าเนี่เป็นมันเป็นยอดของทักกินัยบุคคละ คือถ้าไปอย่างนั้นอีกทีหนึ่งก็คือบูชาพระธรรมอย่างที่พระเจ้าไม่ทรงรับพระไตริฎพระจีวรที่พระนางมหาประชาบดีโคนจะมีทอตั้งได้ปลูกไฟมาเลยนะผ่านกระบวนการมาสมบูรณ์แล้วก็เสร็จแล้วทมจีวรย้อมอย่างดีมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่รับ แต่ว่าต้องการจะให้ท่านเนี่ยบูชาธรรมหรือจะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างมุงอนุเคราะห์ต่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีซึ่งเป็นก็เหมือนกับแม่นะฮะคือพระน า, นางจะเลี้ยงดูพระองค์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตอนคากล่าวของเทวดาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะดูหมิน ดุวินสองอย่างคือการอยู่บนที่สูงแล้วพูดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เลยเนะฮะคือโดยหลักแล้วเช่นว่าพระผู้น้อยเอ่อพระผู้ใหญ่มาอยู่ข้างล่างแล้วท่านอาจจะเรียกมาจากข้างล่างหรือถามอะไรมาจากข้างล่างแต่เราได้ยินแล้วเราไม่ตอบตอนนั้นหรอกเราต้องลงไปยืนในระดับที่พื้นนะฮะ ืเมือท่านยืนอยู่บนที่พื้นท่านอาจาจะสวมรองเท้าไม่สวมรองเท้าเราก็ลงไปยืนแล้วก็พูดกับท่านนั้นแสดงว่าอาการกริยาที่เคารพทางกายและก็ทางวาจาแต่พระเทะดานั้นกล่าวด้วยจิตที่ค่อนข้างกระด้างแล้วก็ดูมินที่สำคัญอย่างยิ่งคือเขาไม่พูดกับพระพุทธเจ้าหรอก ก่อนที่จะถวายบางังคมเสกอนเนี่ยเขาไม่พูดอันนี้ไม่ใช่ไม่ถวายบังคมเฉยๆคืออยู่เหนือกว่าอยู่บนอากาศลอยอยู่บนอากาศแล้วก็มากล่าวคาถาต่อพระพักพระพุทธเจ้าคํากล่าวของท่านที่จริงมันก็ถูกนะแต่มันผิดคนคือในแง่ของธรรมมาแล้วก็ถูกคือใช่ก็เป็นอย่างนั้นแหละ มายความาบุคคลใดประกาศตนนั้นมีอยู่โดยอย่างอื่นให้เขารู้โดยอาการอย่างอื่นที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าคนละกรณีกันพระพุทธเจ้านั้นยะถาวาดีตถาการีเราสั่งอย่างไงก็ทำอย่างนั้นยะถา การีตถาวารีคือทำยังไงก็รับสั่งอย่างนั้นหมายวามามความว่าการทำพูดคิดนี่มันสอดคล้องกันตลอดเพียงแต่ว่าการครองการใช้สตปัจฉิตรที่ทามีทำได้นี่มันเป็นหลักการในการครองชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธ ไปเศษโพชนะที่ประณีตเมื่อทายก็มีศรัทธาจะถวายก็คือเรื่องของเขามันต้องฉลองศรัทธาเขาอีกเรื่องหนึ่งเพราะบางครั้งพระพุทธเจ้าก็อาจจะประทับที่ปราสาทก็เพื่อฉลองศรัทธาชาวบ้านก็ณีมนประทับที่ประราสาทเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เขาก็ประทับเพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวบ้าน แต่เวลาการปฏิบัติจริงๆมันเป็นการปฏิ บ, บัติขัดเกลาเกิกขดขัดเกลากิเลสได้เจือจางบาบางลงไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสอะไรที่จะต้องขดัดเกลวเพราะว่าพระองค์เป็นสุดยอดของทักษิณยบุคคลเพราะ ก, การที่เทวดาคิดว่าพระเจ้าสอนในสันโดษในปัจจัยสี่แล้วพระองค์ไปใชค้คือคือขายกมาเฉพาะจีวรนะ คื อ, อยังบาทพระพุทธเจ้าเนี่ยบาทศิลาที่เท้าจตุมาราชทั้งสี่ถวายเมื่อประทับที่ต้นเกตที่ราชาจตนาตนสัสรูใหม่ๆมันก็ทรงใช้มาตลอดแล้วก็ว่ากันว่าทุกวันเนี่ยก็ยังอยู่บาทนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามักตามีตามได้พระคันตะกูดีก็ตามที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นเราลองสังเกตว่าพระเจตะ ว, วันเนี่ยสร้างด้วยด้วยเงินห้าสิบห้าโกดนะมันก็รูเริศแหละรูมากห้าสิบห้าโกดก็คือ500หา้รหารอยกว่าล้านกหาฮปนานอาไม่จะบาทแต่ว่าเป็นเสนาชนะของชาวบ้านคือเขาสร้างถวาย เพื่อฉลองศรัทธานาฏบินนกาเศรษฐีก็สร้างอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นนั้นคือยินดีตามที่ได้มาก็ไม่ได้ไปไปฏิปเสธว่าจะต้องเศร้าหมองตลอดนั่นไม่ใช่อย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับก็ให้อะไรไมันก็ํานองคล้ายๆกับโยมมานิมนท์พระไปสวดบนตชั้นเพลนที่บ้านเนี่ยคือบางทีรถชั้นดีนะเขามารับ กระั ด, ดีก็ไปอ่ะบางทีเอารถตู้มากก็ไปอ่ะบางทีรถพิการมาก็ไปอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะจริงๆมันทั้งหมดมันไม่ใช่รถของเราวตัตถุประสงค์ของเราก็คือไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นเองแต่เทวดาคิดในลักษณะดูบินเพป่นคำกล่าวที่ท่านกล่าวในตอนต่อไปว่า บุคคลนั้นลวงปัจจัยเขากินด้วยความเป็นขโมยเหมือนความลวงกินแห่งพระ น, นกคือคนละประเด็นเลยที่ที่ท่านพูดเจตนากระทบเนี่ยเจตนากระทบพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพรานนกกระตามปกติแล้วก็จะซ่อนตัวเองอยู่ในสุมทุมพุ่มไม้เพื่อแม่นกมันเห็น แล้วก็จ้องดักนกหรือยิงนกอะไรก็ตามเนะี่ยก็ปกปิดตัวเองไว้เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าเจตนานั้นต้องการจะฆ่านกเป็นอาหารแต่นี้ไม่ใช่นี้เป็นการอนุเคราะห์โลกทั้งสองอย่างสอนการปฏิบัติการครองชีตด้วยความสันโดษมันก็คืออนุเคราะห์โลก ฉลองศรัทธาของญาติโยมที่ถวายของซึ่งประณีษก็คืออนุเคราะห์โลกเพราะว่าผู้ถวายเนี่ยเขาเรียกว่าอัมหากังทีกะตังอิตายาสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อกลูเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแกย่ญ า, า, าติทั้งหลายมีมารดาปิดาเป็นต้นเพราะฉนั้นคล้ายๆประเด็นเดียวกันนะฮะแต่ว่า คนที่ท่านนามาประรบเนี่มันผิดคนก็เรียกว่าทำความดีไม่ถูกที่ทำความดีไม่ถูกคนทำความดีไม่ถูกดีทั้งๆ ท, ท, ท, ที่จริงๆเป็นเรื่องจริงอย่างนันะนะความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเอาประเด็นตั้งขึ้นมาเนี่ยมันผิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีลักษณะที่ทาท่านท่านกล่าวบอกว่า ก็บุคคลทํากรรมใดควรพูดถึงกรรมนั้นไม่ทํากรรมใดก็ไม่ควรพู ด, พดถึงกรรมนั้นอันนี้ก็คือถูกต้องแต่เราจะลืมว่าในการสอนให้ปฏิบัตินั้นเป็นการอนุเคราะห์คนไม่ให้ตกเป็นทาตของปัจเจศีแต่ในขณะเดียวกันการรับของที่ประนีตก็เป็นการอนุเคราะห์เคราะคนให้เขาได้ทําบุญ โดยพระองค์ก็ไม่ได้ยึดมันถือมั่นอะไรนะมันก็ทราบไว่าผ้าแตนเองสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรมันคือผ้าแตนัเองหยาบก็ละเอียดเลวประณีตยังไงมันก็คือผ้าแตนเองแล้วท่านก็บอกว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมรู้จักบุคคลนั้นผู้ไม่ทํามัวแต่พูดอยู่อันนี้ก็ชักจะเก้าร้านนะฮะแต่จริงก็ถูก หมายความว่าถ้าคนทว่วใหญ่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับสังคมไทยเนี่ยฮะไอเรสังคมสังเกตสังคมไทยเนี่ยสังคมไทยชอบเพ่งโทษคนอื่นชอบติคนอื่นมีเรื่องให้ติได้ตลอดอ่านหนังสือพิมพ์เธอพวกคอลัมนิสทั้งหลายพวกเขียนข่าวทั้งหลายเนี่ยแกวิาพากษ์วิจารณ์ได้หมดแหละ แต่ปัญหาว่าถ้าคนนั้นลุกขึ้นมาแล้วให้เธอทำานี่เธอทำได้หรือเปล่าเธอก็ทำไม่ได้คือส่วนใหญ่มันพูดแบบฝันแตบบ่จินตนาการเช่นว่างานตับดา ส, ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยมีทุกปีเลยนะครับมีการเสนอเยอะเลยกิจกรรมเนี่ย แล้วถามเอาเงินมาจากไหนกต็ตอบไม่ได้ก็ยอย่าลืมนะฮะทั้งหมดมันเป็นมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแหละแล้วเงินมาจากไหนเพราะงั้นการการตําหนินี่คนเราก็ตําหนิดได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการตําหนิผิดคนคนพูดมากนี่เยอะ โดยเฉพาะพวกนักวิชาการเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆนักวิชาการบางคนไม่เคยสัมผัสด้วยมือหรอกอ่านหนังสือแล้วก็พูดมันค่ายๆจะง่ายอะ่ะจริงๆมันทําไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพูดถึงปัญหาทางภาคใต้ครุ่มครามครงคราเอาหายแล้วเอยมันแก้ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ต้องไม่ต้องทำงานแล้วนะฮะคือหมายความว่ากขาเอาคนนั้นมาแก้ปัญหาอลไรกัน คือเรื่องแต่ละเรื่องนี่มันมันมันมันจะยากคือตามปกติแล้วอย่างที่เคยยกตัวอย่างวัพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงคิดก่อนนะฮะทรงคิดก่อนแล้วก็ทาพิสูจน์ทดสอบในทฤษฎีที่พระองค์คิดแล้วเมื่อลงตัวคือเป็นไปอย่างที่ทรงคิด สรงคิดไว้ก่อนทรงคิดในขณะนั้นนั้นมีการแก้ไขปรับปรุงไปจนถึงเป็นจริงตามนั้นจึงนำมาพูดเร็นหกปีแรกเนี่ยพระเจ้าไม่ได้เทศอะไรเลยเพราะไอพระองค์กำลังหาความถูกต้องหาสัจธรรมบุงหาสัจธรรมให้เจอก่อนแล้วก็รับสั่งเมื่อพระองค์ได้สัมผัสหมดแล้ว แล้วคนเราทั่วไปไม่ใช่งี้นเนี่ยคือจะคิดแล้วพูดเลยแล้วบางทีก็ไม่ได้คิดต่อด้วยว่าแล้วบริหารยังไงล่ะแล้วทำยังไงล่ะมันคล้ายๆกับจะเป็นสั่งการเขาได้โดนบันดาลได้คือเราจะพูดในแนวค่อนข้างไปทางเพ้อฝันนะแล้วค่อนข้างไปทาง ทิริษปฏิหารดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทให้เกิดเป็นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นพ้นแนวตัวนี้จึงหา ก, กินได้ตลอดแนวที่มีรูปรูปลักษณะของการดลบันดาลการประสิทธิ์ประสาทการลงทุนไม่มากเราจะได้อะไรมากๆเนี่ยเป็นเครื่องมือหลอกลวงชาวบ้านได้ตลอดเพราะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ย ก็มีฝันหันอยู่ใช่ไหมโดยไม่นึกว่าภาคสนามจริงๆแล้วก็ทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกคือเราทำมาคนอื่นนคนอื่นมันก็ดิ้ได้มีความคิดมีการกระทามีความคิดมีความเชื่อมีความปักใจขวังใจแล้วก็มีภูมิลังอะไรอีกเยอะเลยรายละเอียดมันเยอะแนะ่แต่ว่าไม้ที่เราต้องการ จะเอาอะทำอะทำอะไรสักอย่างเนี่ยถูกไม้บางท่อนเขาไม่ใช่เรื่องง่ายก่จะปรับสภาพที่ให้เหมาะควแก่การทำวัสดุชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายพระเทวดาพอกกล่าวเช่นนั้นแล้วพระเจ้าจึงสัตว์นะสัตว์ว่าใครๆไม่อาจดำเนินปฏิปไฐานนี้ด้วยเหตุสักว่าพูด รู้ฟังส่วนเดียวคือฟังส่วนเดียวมันก็ไม่เกิดไม่เกิดผลพูดอย่างเดียวก็ไม่เกิดผลแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำด้วยจะยนยินว่าพระองค์ทําแล้วที่สอนให้พระองค์ทํมาหมดแล้วพระองค์ได้รับผลสูงสุดจากการกระทําอย่างนั้นมาแล้ว เพราะอย่างที่บอกว่าพระพุทธศาสนามีความแตกต่างเป็นพิเศษก็คือสอนจากสิ่งที่ปฏิบัติสอนอย่างสัมผัสตรงหมายความว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นน่ะคล้ายๆกับเรากินน้ําตาลหวานแล้วเราบอกว่าน้ําตาลนี้หวานเราเคยกินมะเร็มก็หวานเมื่อ น, นั้นนะ่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น นั่นคือลักษณะของสัจธรรมเพราะนั้นการที่พูดโดยไม่ได้ทำมาก่อนเนี่ยนั่นก็พูดได้กรรรับสั่งว่าบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้มีชาญคือชาญกับปัญญาเนี่ยเขาเป็นปัจจัยกัน เราจะถือว่าชาญเป็นเหตุปัญญาเป็นผลหรือว่าปัญญาเป็นเหตุชาญเป็นผลก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่เขาเป็นปัจจัยของกันอะไกันหมายความมาในกรณีที่ปัญญาเป็นเหตุคือปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของชาญแล้วศึกษากรรมวิธีในการทําชาญในบังเกิดขึ้นและลงมือประพฤติปฏิบัตินี่ก็หมายความปัญญาเป็นเหตุแห่งชาญ แต่ในขณะเดียวกันด้วยฌานคือจิตที่สงบเนี่ยมันทําให้เกิดปัญญาคือสมาธิ เ, เป็นตัวสร้างปัญญาเพราะงั้นพวกนี้จึงเป็นปัจจัยของ ก, กันแลกเปลนคือส่งเสริมสนับสนุนกันฌานยิ่งสูงขึ้นปัญญาก็สูงขึ้นปัญญายิ่งสูงขึ้นฌะานก็จะเกิดเร็วขึ้นในลักษณะเหล่านี้ฌานเนี่ยท่านจําแนกเอาเป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งก็เรียกอารมณนูปนิชฉานคือเพ่งดูอารมณ์เช่นสมมติว่าเราดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าภาวนาพุโทโธไปหรือว่าดูสีดูน้ำดูดูดินดูน้ำดูลม ด, ดูไฟอะไรก็ไดนะ้ให้จิตมันสงบคือตั้งสติสมัมญมญาจารย์อะไความเพียรอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนจิตสงบพวกนี้ก็คือที่จริงก็คือสมถกรรมฐาน ในการต่อมาท่านก็เรียกขึ้นอีกคำหนึ่งคืออารมมณูปนิชฌานคือเพ่งดูอารมณ์อีกลักษณะอย่างหนึ่งก็เรียกว่าลักคนูปนิชฌานคือพิจารณาลักษณะลักษณะของอะไรก็ลักษณะของอารมณ์นั่นแหละสิ่งที่เรานํามาพิจารกก็พิจารณานามรูปลักษณะของนามรูปที่เป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าอนิจจ า, าลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะ ลักษณะมันก็มีสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาทีนี้การพิจารณาลักษณะถ้าเราเห็นซึ้งลงไปจริงๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเดิมทีเดียเราเข้าใจว่ามันเที่ยงเข้าใจว่ามันเป็นสุขแล้วเข้าใจว่าเป็นอัตตาตัวตนเพราะเราไม่รู้จักลักษณะมัน ลักษณะจริงๆแล้วมันเป็นของไม่เที่เป็นทุกเป็นนักตากเพราะฉะนั้นเมื่อทําได้ก็บอกว่าเป็นการขาจัดหรือทําลายเครื่องผูกของมานยอมพ้นจากเครื่องผูกของมานเครื่องผูกของมานคืออะไรคือถ้าอยู่ข้างในก็คือพวกกิเลส ท, ทั้งหลายนะกิเลส ท, ทั้งหลายอยีกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะเราอาจจะเรียกว่ากันทะเปลว่าเครื่องร้อยรัดก็ได้ อาจจะเรียกว่าสังโยชน์คือผูกใจสัตว์ร้ายก็ได้แต่ตอนนี้เรียกว่าเป็นเครื่องผูกก็หมายความหมายถึงสังโยชน์แต่โยก็มีสิบประการที่จริงก็คือโลกโวดหลงนั่นแหละแต่มันอยู่ลึกคืออยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยพวกวัตถุการมทั้งหลายมันก็ผูกด้ให้เราสังเกต รูป ก, ก็ผูกเสียงก็ผูกกลิ่นก็ผูกรสก็ผูกสัมผัสก็ผูกแต่ใจคนต้องมีกิเลสนะตดาบใดที่ใจยังมีกิเลสกามแล้วพวกนี้ก็เป็นเครื่องผูกได้เพราะบางทีเนี่ยพวกนี้เขาเรียวกว่ามารบัญธนาหรือแปลว่าบ่วงของมารคือเครื่องผูกของมารก็ตกลงมาทั้งสองฝ่ายนะฮะกิเลสภายในกับ อารมณ์ภายนอกรับสั่งว่าด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้บุคคลผู้มีปัญญาทางหลายทราบความเป็นไปของโลกแล้วรู้แล้วเป็นผู้ดับกิเลสข้ามตัญหาเป็นเครื่องเกี่ยวข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดนั้นก็หมายความว่าในการที่เทวดาพูดเนี่ย พระองค์ก็ไม่โตตอบอะไรเพราะว่าคุณลักษณะลักษณะเหล่านี้ไม่ใช่ว่าลักษณะที่ลักษณะร่วมของพระริยาทั้งหลายก็มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยปฏิปทาอันมั่นคงนี้คือหมายความว่าบรรลุฌานนะแล้วก็ฌานที่มัน่นคงจริงๆก็คือต้องเข้าไปถึงหลักคณรอุปนิชฌานคือเพ่งดูลักษณะ ต้งเห็นไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงเพราะว่าอารามานูปนิชา น, นั้นมันไม่มั่นคงอ่ะโดนยั่วยุนจากข้างนอกตะบะก็แตกง่าง่ายแต่เขาก็เป็นปัจจัยของกันและกันคือส่งเสริมสนับสนุนกันก็เป็นกระบวนการของศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าเป็นการพูดโดยปริยายหนึ่งและรับรองว่าบุคคลผู้มีปัญญาทั้งหลายทราบความเป็นไปของโลกแล้ว รู้แล้วคำวารู้นี่คือยานที่มันเกิดผุดขึ้น เ, นเห็นโลกด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงก็เข้าใจชัดเจนว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราที่แท้จริงพะตัวความรู้เนี่ยมันไปไปไปไ ป, ไปดับตัวอวิชาพออวิชาดับในกิเลส ช, ชื่อต่างๆมันก็ดับหมดเพราะว่า เขามาจากอาวิชชากระรับสั่งว่าข้ามตัญหาเป็นเครื่องเกี่ยวข้องในโลกแล้วย่อมไม่พูดนี่ก็ตันหานั้นถูกยกขึ้นเป็นตัวอย่างที่จริงมันก็หมดแหละหรือคำว่ารู้ในความหมายนี้คือเป็นสามาญาาคือรู้ในทางที่ชอบ เทวดาก็รู้สึกตัวนะฮะว่าผิดท่าแล้วก็เลื่อนลอยลงมาจากอากาศแล้วเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเนะเป็นการ แ, แสดงความอ่อนน้อมผิดไปกว่าเดิมมากเรียกว่ามอบลงคือตามปกติอย่างที่เราพบมาตลอดเนี่ยเทวดาไม่เคยมอบนะฮะสามบดีพรมนี่มอบแต่เทวดาไม่เคยมอบ เทว ด, ดาก็ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กล่าวแต่ว่าตอนนี้เป็นล่วงเกินพระพุทธเจ้าโดยกายโดยวาจาที่ชัดเจนแต่สิจใจคิดเนะคือหมายความว่าถ้าเราฟังคําโดยไม่ได้คิดไม่ได้มียามอย่างรู้อย่างพระเจ้ารู้เนี่ยมันก็ดูแล้วก็ก็เป็นการแสดงความจริงแต่ที่จริงเขาเรียกว่าด่ากระทบ เมื่อเกิดไปการลุกเกินก็เรียกว่าพร้อมชุดนะฮะทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจพรอหมอบ ก, กราบแล้วก็ได้ทูลกับพระพุทธเจ้าบวชโทษของพวกข้าพเจ้าล่วงไปแล้วพวกข้าพเจ้าเราได้เป็นพานอย่างไรเป็นผู้หลงอย่างไรเป็นผู้ไม่ฉลาดอย่างไรได้สําคัญแล้วว่าพระพุทธมีพระภาคเจ้าอันพวกเราพึงรุกราน คิดผิดคนนะฮะไปรุกรานผิดคนไปคิดว่าพระพุทธเจ้านั้นตัวเองจะรุกราญได้แล้วก็เสร็จแล้วก็ขอขอพระพุทธเจ้างดโทษให้ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยคือเทวดาแกคิดแค่พระพุทธเจ้าเป็นผุ้ทุชนพอร่วงเกินแล้วกจขอโทษเราจะ ย, ยกโทษให้แต่พรุทธเจ้านั้นกรอบด้วยกรุณากรอบด้วยกรุณาในหมู่สัตว์เนี่ย มันหมายความว่าเช่นสมมติว่าน้ำที่ใสยอยู่เนี่ยเราสาดน้ำคุณลงไปมันก็ถูกลายพระเจ้าจึงรับสั่งว่าไม่ใช่เทวาดาก็กราบทูลว่าเมื่อเราแสดงโทษจู ถ้าบุคคลใดมีความโกรธอยู่ในภายในมีความเคืองหนักย่อมไม่อุทธให้บุคคลนั้นย่อมสอดสวมเวรหากว่าในโลกนี้โทษก็ไม่มีความผิดก็ไม่มีเวรทั้งหลายก็ไม่สงบในโลกนี้ใครพึงเป็นคนฉลาดเพราะเหตุไร โทษทั้งหลายของใครไม่มีความผิดของใครก็ไม่มีใครไม่ถึงแล้วซึ่งความหลงไหลในโลกนี้ใครย่อมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทุกเมื่อนี่เป็นคำกล่าวของเทวดาทํานองกราวทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะแต่แลเรื่องเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องคุณธรรมชั้นสูงนะฮะ เพราะว่าตามปกติแล้วเราสังเกตว่าคนเป็นนันมากพอร่วงเกินคนอื่นแล้วเกินไม่ขอโทษหรือว่าขอโทษแล้วก็ไม่ยอมรับไม่ยอมรับไม่ยอมให้อภัยมันก็ผูกเวรน่ยทีนี้ที่ที่เทวดาเขาต้องการเนี่ยว่าหากว่าในโลกนี้โทษก็ไม่มีความผิดก็ไม่มีเวรทั้งหลายก็ไม่สงบ มันจะอยู่ได้ไงหมายความว่าสังคมก็จะรู้สึกแบ่งแยกในการล่วงเกินแล้วก็ไม่มีความสำนึกตัว น, นี้เรื่องใหญ่อะนะเรื่องใหญ่ตามปกติแล้วคือมันมันเป็นอะไรล่ะเป็นเป็นค ต, ตินิยมเป็นความเชื่อแนวใหม่ จึงหมายความว่าใช้สิทธิเสรีภาพในการจะด่าใครก็ได้ตัดสินอะไรกันโครมครามริมๆิมนถนนก็ตัดสินกันไปเราจะเรียกร้องให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ว่าวิธีการเรานั้นเป็นวิธีการที่เรียกว่าเพิ่มเวรนฮะเพิ่มเวรเพิ่มการจองเวร แล้วก็นําไปสู่การเบียดเบียนประทุษร้ายกันผู้เจ้าจึงทรงแสดงว่าโทษทั้งหลายไม่มีความผิดก็ไม่มีแกต ถ, ถาคตนั้นผู้จัดสรู้แล้วผู้เอนดูแกสัตว์ทั้งหลายตถาคตนั้นไม่ถึงแล้วซึ่งความลหลงไหลเพราะตถาคตนั้นย่อมเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติในการทั้งปวง เมื่อพระพุทธท่านแสดงโทษอยู่หากบุกคคลใดมีความโกรธอยูภายในมีความเคืองหนักย่อมไม่อดโทษให้บุคคลนั้นย่อมสวดสูงเวรเราไม่ชอบเวร น, นั้นเราย่อมไม่เราย่อมอดโทษแก่ท่านทั้งหลายคือก่อนอื่นพระเจ้าแสดงสถานะสถานะว่าคนอย่างพระองค์นี้ไม่เป็นผูกเวรอย่างที่เทวาดาคิดหลอก ที่เทวดาคิดนั้นมันเป็นการคิดว่าพระพุทธเจ้าคิดคล้ายๆกับเป็นปุถุชนก็ น, นึกว่าที่เทวดากล่าวนั้นพระพุทธเจ้าคงโกรธแล้วคงจะผูกเวรทีนี้ถ้าโกรธแล้วก็ผูกเวรมันก็เวรมันก็ไม่สงบเพราะว่าเวรจะไม่สงบโดยการจองเวรแต่พระเจ้าทรงแสดงสถานะของพระองค์ว่า มากด้วยพระคุณนั่นกล่าวเนี่ยคือเป็นผู้เอ็นดูสัตว์ที่เราเรียกว่าอนุเคราะห์มีความเมตตาเอ็นดูต่อสปปรรพสัตว์เป็นผู้อนุเคราะห์ต่อชาวโลกต่อสปปรรพสัตว์นะ่ยคือว่าทั้งทั้งคนทั้งสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามคือขันห้าขันหนึ่งขันสี่นี่ก็เป็นผู้ควรแ ก, กร่การกรุณาเอ็นดูด้วยกันทั้งนั้น มันก็กลายเป็นตัวอย่างว่าคนเราที่ที่ว่ามันมีการจองเวรกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนั้นแหละเขายังมีกิเลสอยู่แต่ว่ากิเลสที่คนนั้นมีนะพระพุทธเจ้าไม่มีเพราะว่าพระองค์เป็นผู้สัจสรุรูแล้วก็เป็นผู้เอนดูไม่ได้เลือกว่าคนนั้นคนนี้คนโน้นอย่างวันก่อนเนี่ยมี ผู้นวยการกองอนุสาสนาจารย์ฐานากาศนะฮะไปพบกันที่งานศพเขาก็บอกว่าในฐานะที่เป็นอนุศาสต์อนุสาสนาจารย์เนี่ยมันมีหน้าที่อะไรคือบอกว่าบอกว่ามันมันไม่ใช่เป็นเน้นที่การเป็นชาวพุทธนะ คือในแง่จริงๆถ้าถูกต้องแล้วคือถูกต้องอ่ะจะเป็นคาสอนในพุทคิดอิสลามพรามสิกินดูไม่ได้เกี่ยวอะไรมันคนละเรื่องกันแต่ว่าถ้าเราเป็นพระมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เราเป็นอนุาสาตเนี่ยคือคนที่อนุาสาณาจารย์เนี่ยมันก็มีคนหลายศาสนาเนี่ยที่ทตัวเองจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ไป พูดในลักษณะสร้างความแตกแยกมันก็ไม่ดีเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วศาสนาธรรมเนี่ยมันเป็นสมบัติของมนุษยชาติพระเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกนะฮะมันไม่ใช่อนุเคราะห์ยมวิาชาพูดที่จริงมันพูดอนุเคราะห์โลกแต่พอดีคำสอนเนี่ยมาอยู่ในมือคนที่มีอัตราตัวตนมีหังการมีมามังการ มันก็ไปมีความรู้สึกคล้ายๆกับหวงซัสซ้อน แ, แต่ถ้ามีการกล่าวประละปว่าวอีกเรื่องหนึ่งนะฮะคือการบิดเบือนการดูถูกดูหมิน่นศาสนานะอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เขานําคําสอนไปสั่งสอนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าคําสอนเรนั้นมันได้เป็นประโยชน์ใครก็ไม่รู้แหละ คือถ้าเรามีความเมตตาดูกษัตรย์ทั้งปวงอย่างพระพุทธเจา้าเนี่ยมันก็ไม่มีความหลงไหลเป็นว่าอั น, นั้นเป็นของเราอั น, นั้นเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรเนี่ยเพราะว่าทรงมีปัญญามีสติอยู่ทุกขณะทรงใช้คำว่าในการทั้งปวงเตอนเมื่อเมื่อเทวดาขอโทษแสดงว่าตัวเองผิดแล้วก็ขอโทษ พระองค์ก็ให้ภัยอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ขอโทษที่จริงพระองค์ก็ไม่ถือสาหาความอยู่แล้วเห็นได้ว่าคนเราถ้าสำนึกผิดเนี่ยเขาจะถือสาหรือไม่ถือสาเนี่ยเราต้องถือสาไวแ้แหละเราก็ต้องขอเข้ามาลาโทษในโทษที่ล่วงเกินซึ่งได้ทำไปตัวอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่า คนพาเนะี่ยมีสองสองประเภทคือคือเยอะนะฮะแต่ว่าชุดเนี้ยมีสองประเภทหนึ่งก็คือล่วงเกินคนอื่นแล้วไม่สํานึกผิดแล้วก็ไม่ยอมขอโทษสองคนถูกล่วงเกินแล้วขอขอโทษแล้วก็ไม่ยอมให้อภยัยก็หมายความว่าเป็นพา ด, ด้วยกันเป็นพา ด, ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าบัณฑิต หมายความาถ้าผิดก็คือขอขอมาโทษแล้วพอเมื่อเขาขอ ข, อขอมาแล้วต้องให้อภัยอย่างบ้านเราเวลาเนี้ยมีฝังเรื่องนะฮะเราจะเห็นว่าในการล่วงเกินเขาแล้วจนถึงบางทีก็มีการขอโทษแต่ว่าตัวเองก็ไม่ให้อภัยจริงต่อปัญหาก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนเดิม มันสังคมเนี่ยมันต้องอาศัยกิริยาปฏิกิริยาหรือต้องบวกด้วยกันนะฮะปฏิกิริยาต้องดีด้วยกันคนเรามางนก็ผิดกันได้เทวดานี่เขาก็อย่างว่าแหละก็เทวดาที่จริงเป็นปุถุชนนะฮะไม่จะเป็นพระรยาอะไรแต่กกผิดแล้วแกสำนึกอันนี่คือจุดเด่นสำนึกว่าผิดเป็นการล่วงเกินแล้วขอขามาลาโทษ ในโทษที่ล่วงเกินเหล่านั้นพระเจ้าก็ทรงประทานให้อภัยมันก็ทําให้เราได้หลักอย่างหนึ่งว่ามีกรรมเป็นอันมากที่เป็นการล่วงเกินกันเป็นการส่วนตัวสํานึกผิดแล้วก็ขออภัยก็คนที่ถูกล่วงเกินก็อภัยให้อดโทษให้มันก็กลายเป็นอโหสิได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายึดถือเป็นต้นแบบ อีกประการหนึ่งต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านีน้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี